เทวานุสติเคารพองค์เทพยังถูกหลักจริงๆมีผลเป็นกุศลแน่นอนบทความโดยดังตรินถามเคยไหว้เทพมาตลอดแต่วันนี้เข้าใจศาสนาพุทธยิงแท้จริงมีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะทำอย่างไรกับรูปปั้นองค์เทพการบูชาเทพ ก็เหมือนกับเคารพหรือแสดงความนอบน้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่ลองคิดว่าถ้าเป็นมนุษย์ที่ดีมีความน่านับถือน่าไหว้เราก็จะมีใจอ่อนน้อมเราก็จะเข้าหาท่านเป็นระยะระยะแบบเดียวกันนะครับถ้าหากว่าใจเรามีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มร้อยแล้วส่วนใหญ่จะไม่เหลือพื้นที่ให้กับองค์เทพหรือว่าศาสนาของศาสนาอื่น เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นสากลเห็นกับที่คนศาสนาอื่นก็ไม่มีใจให้ศาสนาของเราอะไรแบบนี้ครับถ้าเราบูชาองค์เทพไว้เราเคยเคารพบนอบนอบท่านมาเราก็ยังกราบไหว้ท่านอยู่ด้วยใจที่เป็นกุศลต่อท่านเพียงแต่ว่าเรามีที่พึ่งคือพระรัตนตรัยเป็นเรือนตายอย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่เราเคารพกราบไหว้องค์เทพเก่าที่เราเคยบูชามาใจเราก็ยังระลึกถึงท่านโดยความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าการบวงสวงมีผลนะครับใจของเราถ้าเคารพเทวดาอย่างถูกหลักถูกเกณฑ์จริงๆมันเป็นกุศลแน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้ระลึกถึงความเป็นเทวดาตามหลักของพุทธศาสนา ไม่ได้อยากจะให้ท่านมาช่วยแต่ตรงกันข้ามอยากจะช่วยให้ท่านได้รับการนอบน้อมได้รับการสรรเสริญจากเราที่เป็นมนุษย์เพื่อที่ใจของเราจะได้มีความรู้สึกอันดีกับผลของบุญว่าทำดีต้องได้ดีได้ไปเป็นเทวดาเราจะได้มีแกรใจที่จะทำดีมีความอดทนมีความอดกลั้นต่อความชั่วที่เข้ามาปะทะเห็นท่านได้ดี และเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดีจริงก็จะต้องเชื่อต่อไปตามหลักของพุทธศาสนาที่แจกแจงไว้ว่าทําบุญอะไรมีความละอายแก่ใจแค่ไหนแล้วก็จะประพฤติสมควรแก่ธรรมอย่างไรจึงได้ไปเป็นเทวดานะครับอันนั้นเรียกว่าเทวตานุสติคือมีความระลึกอยู่เนืองๆว่าเป็นเทวดาเพราะอะไรเราสามารถเคารพกราบไหว้พวกท่านได้ ก็หมายความว่าเรามีความยินดีในบุญแบกพวกท่านแล้วก็จะได้มีกำลังใจไม่ว่าในเรื่องของการให้ทานในเรื่องของการให้อภัยในเรื่องของการรักษาศีลหรือการเจริญสติก็ตามนะครับกำลังใจเราก็จะมานี่เป็นเหตุผลที่ทางพุทธศาสนายัางสนับสนุนให้เคารพ บ, บูชาเทวดาก็ด้วยจุดประสงค์นี้เลยนะครับ การกราบไหว้ด้วยความเคารพด้วยความนับถือไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้ใครก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นกุศลได้เสมอแต่ถ้าหากว่าการกราบไหว้นั้นเราปรารถนาที่จะยึดออกเป็นที่ขออะไรที่เป็นไปไม่ได้ที่จะไปขอกับมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้พาตนเองไปสู่ความงมงายแล้วคือไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปกราบไหว้นั้นจะเป็นของจริงหรือไม่จริง ท่านจะเป็นสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิก็ตามแต่ลักษณะาการขอของเราเป็นมิจฉาทิฐิแล้วเนื่องจากเราพยายามจะชนะกฎของธรรมชาติกฎของกรรมวิบากด้วยการให้ใครคนหนึ่งที่มีอำนาจวิเศษยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทันทีหากเก็บสถิติไหว้เจ้าขอพรต่อให้เป็นแหล่งที่ร่ำหรือว่าคลังแค่ไหนคุณจะพบว่า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 ข้อแรกเปลี่ยนคืออะไรต้องตามไปเป็นบริวารรับใช้กันกี่ชาติการติดตามกันไปเป็นพรวนบนทางกันดานกับการเจริญรอยตามพระผู้หมดกิเลสไปบนทางสั้นคือข้อตกต่างระหว่างศาสนาเทพกับศาสนาพุทธ